เรื่องทรงห้ามนอนบนที่นอนโรยดอกไม้สมัยนั้นพวกภิกษุฉัพัก ค, คีนอนบนที่นอนโรยด้วยดอกไม้คนทั้งหลายเดินเที่ยวชมวิหารเห็นเข้าจึงตำหนิประนามโพลทนาว่าไหน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 ต้องอาบัตทุกกฏ